วักใหม่สันท ว, วัคสันทวะนี้แปลว่าความคุ้นเคยสันทวะปัญหาพระเจ้ามิลินยกข้อความมาถามว่าพระคุณเจ้าน่ากเกษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธความข้อนี้ไว้ว่าสันทวะโตพยังชาตังนิเกตาชยเตระโชอะ น, นิเกตะ มสันทวังเอตังเวมุนิสัสนังเนี่ยนะแปลว่าภัยเนี่ยภัยแปลว่าความน่ากลัวหรือว่าภัยหรืออันตรายความน่ากลัวทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากสันทวะความคุ้นเคยกันทุลีความเศร้ามองเกิดจากจากบ้านหรือเกิดจากกามคำว่าบ้านตัวนั้นหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโทสะท่าทั้งหลาย ส่วนธรรมะอันหามิบะหาบ้านไม่ได้หมายถึงโลกุตระธรรมที่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนั้นหาสันธะไม่ได้ไม่มีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยก็แปลว่าพระนิพพานนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวโลกุตระธรรมโดยเฉพาะพระนิพพานนั้นผู้เป็นพระมุนีเห็นแล้วแลซึ่งคถานี้ก็เป็นการประกาศอริยสัจนั่นเอง สันทวตโตพยังชาตังเนี่ยนะบอกว่าภัยเนี่ยความน่ากลัวทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากความคุ้นเคยกันนะไอคําว่าคุ้นเคยสันทวต้นนั้นเป็นชื่อของตันหาสันทวะหรือทิฏฐิสันทวะความคุ้นเคยด้วยตันหาความคุ้นเคยด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมันขณะก็เท่ากับว่าสันทวต้นนั้นคือสมุทัยสัตย์นะสันทวต้นนั้นคือสมุทัยสัตว์พยังเนี่ยคือทุกขสัตมันถ้าก็เท่ากับบอกว่าตันหาเป็นปัจจัยจึงมี อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัย จ, จ, จ, จึงมีชรามรณะเป็นต้นนิเกตาชายเตระโชทุลีทุลีก็คือกราคะเป็นชื่อของทุลีทุลีคือราคะทุลีคือโทสะทุลีคือโมหะเกิดจากอะไรก็เกิดจากบ้านคือจากตามหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสปถ พ, ท, พทั้งหลาย อันนี้เป็นที่ตั้งแห่งความทุลีเอ่อขอไปเป็นที่ตั้งแห่งทุลีนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะเป็นที่ตั้งแห่งทุลีคือราคารูปเสียงกลิ่นรสโภธพะเป็นที่ตั้งแห่งทุลีคือโทสะเป็นที่ตั้งแห่งทุลีคือโมหะส่วนพระนิพพานที่หาบ้านไม่ได้หมายว่าพระนิพพานเอ่อธรรมะตัวนั้นหมายถึงโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นเอ่อเป็นธรรมที่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะ และเป็นธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาและทิฏฐิโลกุตระธรรมที่ปราศจากเบญจกรรมคุณลโลกุตระธรรมที่ปราศจากตันหานั้นเป็นธรรมที่มุนีเห็นแล้วมุนีก็คือผู้มีโมนยธรรมผู้ที่มีอริยมรรคผู้ที่มีอริยมรรคทั้งหลายก็เห็นโลกุตระธรรมคือพระนิพพานเหล่านั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการประกาศอริยสัจนั่นเองเป็นคาถาที่ประกาศอริยสัจค่อนข้างตรงตัว อีกข้อความหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไ ว, วมม้ว่าวิหารเรกาเยรัมเมวาสเยทะพหุสุเตเนนะแปลว่าพึงให้สร้างวิหารที่น่ารื่นรมให้เป็นที่อยู่ให้เป็นที่ภิกษุผู้เป็นพหุสูทั้งหลายได้อยู่อาศัย แหมขัดกันนะบอกว่าตอนแรกบอกว่าภัยเนี่ยมันเกิดจากความคุ้นเคยทุเรีันเกิดจากบ้านเกิดจากรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆพอบอกแม่พอจะสร้างวัดให้พระอยู่นะต้องสร้างให้มันน่ารื่นรมให้นันน่าอยู่นะพระพิสุผู้เป็นพระหูสูตรท่านจะได้พักอยู่อาศัยก็ตรงนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ศึกษาธรรมะไม่ดีเนี่ยนะเขามาเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆซึ่งเขาบอกว่าอย่าไปถวายอาหารอร่อยๆพระเดี๋ยวท่านกิเลสจะเกิดข้างั้น นะเขาก็เป็นห่วงมากดูแลกลัวพระจะเป็นอกุศลจิตเพระเาะฉะนั้นสรว่าท่านจังกลัวอะไรที่มันน่าเกลียดรสชาติห่วยๆเป็นต้นประเภทนั้นแหละกิเลส ท, ท่านจะได้ไม่เกิดคำว่างั้นนะก็มีคนที่คิดอย่างนี้นห๋ยวแม้กระทั่งที่อยู่ก็ต้องอยู่มส อ, อ, อะไรเป็นต้นนะนะกิเลสจะได้ไม่เกิดคำว่างั้นเขามากลัวว่ากิเลสมันจะเกิดกว่าเก่าที่เขบอกว่ากิเลสเพราะอะไรนะกิเลสมีอยู่สองอย่างเรียกว่าประสบอันเป็นประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักก็เกิดกิเลสใช่ไหม ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักกิเลสก็เกิดอีกเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ว่ามีคุณธรรมเป็นเครื่องอ ก, การกำจัดกิเลสเนี่ยไม่ได้กำจัดที่วัตถุแต่กำจัด น, นะด้วยสิกขาสามเนี่ยนะสิกขาสามว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่าใดานั้นอยู่ด้วยสิกขาเหล่าใดาต่างหากเดี๋ยวย้อนกลับมาหาที่ปัญหาว่า พระคุณเจ้านาเกษณถ้าหากว่าพระธถาคตตรัสว่าภัยเกิดจากสันทะวะความเฉยชิดนะสันทะวะบางแห่งเนี่ยแปลว่าความเฉยชิดด้วยตันหาและทิฏฐิเนี่ยนะทุลีเนี่ยเกิดจากบ้านคือรูปเสียงเปลี่ยนรถโพธะพระส่วนโลกุตระธรรมอนหาสันทะวะมิอนหาบ้านไม่ได้โลกุตระธรรมที่หาสันทะวะความเฉยชิดไม่ได้นี้เป็นผู้ที่มุนีเป็นธรรมที่มุนีเห็นแล้ว ดังนี้ถ้าเกิดอย่างถ้าพระองค์พูดอย่างนี้จริงใช่นะถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าเพ่งให้สร้างวิหารที่น่ารื่นรมให้เป็นที่สําหรับภิกษุผู้เป็นพระหูสูตทั้งหลายได้อยู่อาศัยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องก็พูดกันอยู่หลัดหลัดบอกแม้เนี่ยความเชยชิดนะกับรูปสวยๆเสียงเพราะๆเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งอากุศลมั้งนั้นเถอะต้อบอกว่าให้สร้างที่อยู่ที่น่ารื่นรมเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วมันขัดกันนะ ถ้าหากว่าพระตถาคตเจ้าตรัสว่าเพ่งให้สร้างวิหารที่น่ารื่นรมให้เป็นที่ภิกษุผู้เป็นพหูสู่ทั้งหลายได้อยู่อาศัยดังนี้ถ้าจริงสายถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าภัยเกิดจากสันทวะทุลีเกิดจากบ้านธรรมะอันหาบ้านไม่ได้หาสันทวะไม่ได้นี้ผู้เป็นมุนีเห็นแล้วแลดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้อง ปัญหาแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดยังไงกันแน่นะอีกที่หนึ่งก็บอกว่าสรุปทบทวนก็คือลักษณะที่บอกว่ากิเลสเนี่ยนะมันเกิดจากความคุ้นเคยมันเกิดจากรูปสวยๆเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยนะแล้อีกที่หนึ่งก็บอกว่าเออเนี่ยให้สร้างวิหารที่น่ารื่นรมเหมือนอย่างว่าถ้าฟังไม่ดีวันเอ้ พุพทธพจน์อันแรกเหมือนกับแมมประกาศชั้นสูงเลยนะพุพทธพจน์อันหลังก็เหมือนกับว่าอะไรยั่วยุให้กิเลสมันเกิดมากขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสองอย่างมันขัดกันพนาเกษมก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าภัยเกิดจากสันทวทุลีเกิดจากบ้านธรรมะอันหาบ้านไม่ได้หาสันทวไม่ได้นี้ ผู้เป็นมุนีเห็นแล้วแลดังนี้จริงและพระองค์ยังได้ตรัสไว้อีกว่าเพ่งให้สร้างวิหารที่น่ารื่นรมให้เป็นที่ภิกษุผู้เป็นหูสูตรทั้งหลายได้อยู่อาศัยดังนี้จริงเช่นวิหะอนุโมทนาใน อ, อนุโมทนาวิหารทานทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์จะตรัสแบบนี้หลายแห่งด้วยกันอย่างอตอนที่พระองค์อนุโมทนาวิหารทานของอนาถปินฑิกะเศรษฐีใน เสนาสนะขันธะเนี่ยนะพระองค์ก็อนุโมทนาอย่างนี้จริงขอถวายพระพรคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภัยเกิดจากสันทวะความเฉยชิดทุลีเกิดจากบ้านคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะโลกุตระธรรมอันหาบ้านไม่ได้หาสันทวะไม่ได้นี้ผู้เป็นมุนีคือพระพุทธเจ้าเห็นแลวแลังนี้ใดคาพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นคาพูดที่พูดไปตามสภาวะ เป็นคำพูดที่หาส่วนเหลือไม่ได้เป็นคำพูดที่ไม่มีส่วนเหลือเป็นคำพูดแบบตรงๆงนิปรายแปลว่าพูดตรงๆไม่มีคำว่าอ้อมคอมเป็นคำพูดที่เหมาะแก่สมณะคือผู้สงบระงับเนี่ยนะด้วยโสดาปฏิผลเป็นต้นเป็นคำพูดที่ควรแก่สมณะเป็นคำพูดที่ใช้เฉพาะสมณะคือพระเรียเจ้าเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของสมณะเป็นปฏิปทาสาหรับสมณะเป็นข้อปฏิบัติสาหรับสมณะ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าสัตว์ป่าผู้ท่องเที่ยวไปในป่าทึบย่อมเป็นผู้ปราศจากที่อยู่ไม่มีบ้านอาศัยอยู่ตามที่เท่าที่ต้องการฉันใดขอถวายพระพ ร, พระผู้เป็นภิกษุก็ควรคำหนึ่งว่าภัยเกิดจากความเฉยชิดด้วยตัณหาและทิฏฐิเนี่ยนะทุลีคือราคาเป็นต้นเกิดจากบ้านคือกรมาคุณทั้งหลายส่วนโล ก, กุตระธรรมอันหาบ้านไม่ได้หาสันทวไม่ได้ พระผู้เป็นจอมมุนีทรงเห็นแล้วดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันนะเพราะถ้าหากว่ามัวยินดีอยู่ในความเฉยชิดมวยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรถโพธิภพจะได้เห็นโลกุตระธรรมไหมไม่เห็นหรอกเพราะว่าโลกุตระธรรมเนี่ยตรงกันข้ามกับความเฉยชิดด้วยตัณหาและทิฏฐิโลกุตระธรรมเนี่ยตรงกันข้ามกับรูปเสียงกลิ่นรถและโพธิภพ ท, ทั้งหลายเพราะถ้าหากว่าปรารถนาโลกุตระธรรม ถ้ามัวแต่ยินดีมัวยินดีในรูปเสียงเปลี่ยนรถมัวแต่เชยชิดด้วยตันหาและทิฐิจะได้แทงตลอดโลกุตระธรรมไหมนั้นคำพูดที่พระองค์ตรัสนั้นว่าภัยเกิดจากสันทวทุรีเกิดจากบ้านอันนี้ก็เป็นการประกาศทุกขสัตร์และสมุทัยศัตร์ส่วนธรรมะอันหาบ้านไม่ได้หาสันทวะมิได้คือโลกุตระธรรมเนี่ยผู้เป็นมุนีคือผู้ที่มีอริยมครคเขาจะเห็นธรรมอันนั้นแหละ อันนี้ น, นี่คือคําพูดที่ตรงตรงว่าสมณะทั้งหลายเขาท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสภาวะธรรมโดยเฉพาะสภาวะสัจจะทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นคําพูดที่พูดแบบสิ้นเชิงเนยนะหาส่วนเหลือไม่ได้ก็แปลว่าภัยนี่เกิดจากานะตันหากทัทิทิความเชยชิดด้วยตันหากทัทิทิอันนี้เท่ากับประกาศสมุทยัยสัจใช่ไหมภัยนั้นก็เป็นทุกขสัจนั้นภพสามนั้นเป็น เป็นภยัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวส่วนโลกุตระธรรมที่ปราศจากทุกขสัจปราศจากสมุทัยศาสตร์นั้นพระมุนีผู้มีโมเนยธรรมเนี่ยนะแทงตลอดเสร็จแล้วบรรลุแล้วเห็นแล้วอันนี้เป็นคําพูดประกาศสัจจะเป็นคําพูดที่แสดงตรงตัวจริงๆเลยเ อ, อ, อยู่ในมุนิสูตรเนี่ยในมุนิสูตรหรืออีกที่หนึ่งเรียกว่า ม, มาตะ ามาตาปุติกะสูตรเนี่ยนะที่ที่เป็นข้อความที่ยกมาเนี่ยนะแต่ก็นิยกมาท่านบอกว่ายกมาจากอัตถกถามุนิสูตรขอถวายพระพรส่วนคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเพ่งให้สร้างวิหารที่น่ารื่นรมให้เป็นที่ภิกษุผู้เป็นพูหูสูตรทั้งหลายได้อยู่อาศัย ดังนี้ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคํานั้นเพราะทรงเล็งเห็นอํานาจประโยชน์สองอย่างมีประโยชน์สองอย่างนะที่พระองค์สัรเสริญการสร้างที่อยู่อาศัยที่น่ารื่นรมให้แก่ผู้เป็นผูสูตรอยู่อาศัยอํานาจประโยชน์สองสองอย่างอะไรบ้างข้อแรกขึ้นชื่อว่าการให้วิหารพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงยกย่องเห็นชอบชมเชยสรรเสริญ บุคคลเหล่านั้นให้วิหารเป็นทานแล้วหลุดพ้นจากชาติชรามมรณะนี้ได้นี้เป็นอ น, นิสงส์ข้อแรกในการให้วิหารทานบอกว่าผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าให้ห้องให้ที่อยู่ให้อาศัยก็บอกว่าถึงยังเกิดในวัตฏะอยู่ก็ไม่เอืดอัดไม่คับแคบเนี่ยนะ อยงสังเกตดูว่าบางคนเนี่ยทำไมต้องแบบใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่คับแคบตลอดเวลาเลยเนี่ยโดยมากอะไรก็ได้ที่มันคแคบแคบไปหมดเลยแม้กระทั่งที่หลับที่พักที่นอนโดยมากรวมๆแล้วคับแคบไปหมดอันนั้นก็เป็นผลมาจากว่าไม่เคยให้ทานในสิ่งเหล่านี้ท่า น, นบางแห่งจึงอธิบายว่าผู้ให้เสนาสนะเป็นทานถึงอยู่ในคันก็ไม่อึดอัดว่างั้นนะ แต่ไม่ได้พ้นจากคันนะให้เสนาสนะเป็นทานไม่ได้แปลว่าพ้นจากคันนะถึงอยู่ในคันก็ไม่อึดอัดเนี่ยนะไม่ใช่อยเขาจะรีดทิ้งทุกวันทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าการให้ทานเนี่ยนะการให้ทานเนี่ยโดยให้ที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีศีลผู้เป็นพหูสูตรเป็นต้นตั้งความปรารถนาสา ม, มารถที่จะบรรลุสา ม, มารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกในบ้านปลายได้อันนั้นเป็นอานิสงส์ของการให้ทานซึ่งมันเป็นผลว่า การให้เสนาสนะเป็นทานให้ผลทั้งปัจจุบันสัมปรายภพให้ผลทั้งโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือบรรลุมรรคผลนิพพานได้การให้ทานอันนี้เป็นถ้ามองแบบไกลๆนิดนึ่งนะมองยาวๆหน่อยว่าสําหรับผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเนี่ยถามว่าจําต้องอาศัยที่อยู่อาศัยอยู่ไหมก็จําต้องอยู่ถามว่าถ้าไม่เคยให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานแล้วตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้นี่พูดเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรสร้างกุตินะแต่เล่าให้ฟังว่า การให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเหตุให้มีที่อยู่อาศัยต่อไปในสัมป라이พบในอนาคตต่อไปเนี่ยนะอันนี้นันการให้ที่อยู่อาศัยนั้นจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญให้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเนี่ย ข, ข้ออื่นยังมีอีกอันนี้อ น, นิสงส์ข้อที่สองที่พระองค์เห็นประโยชน์จึงแสดงว่าเมื่อมีวิหารภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่ใครๆสังเกตเห็นได้ง่าย ผู้ที่ต้องการจะพบเห็นก็พบเห็นได้ง่ายเมื่อไม่มีที่อยู่ก็จกเป็นผู้ที่เขาพบเห็นได้ยากานะถ้าพบเห็นได้ยากจะได้ฟังธรรมไหมไม่ได้ฟังธรรมเมื่อไม่ได้ฟังธรรมจะไดเ้เรียนรู้จะได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเป็นต้นไหมเหตุผลที่ ให้ได้พบเห็นสมณะทั้งหลายได้ง่ายก็เพราะว่าสมนานั้นจะทัศนังเป็นมองคนเพราะมองด้วยเลือมองด้วยใจที่เลื่อมใสก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วถ้าอย่างที่บอกว่าผู้มีศีลเข้าไปที่บ้านใดบ้านนั้นเนี่ยนะต้อนรับเชื้อเชิญให้อาสนะก็เป็นบุญแล้วใช่ไหมเริ่มเรียกว่าเป็นบุญไปทุกขั้นตอนหมดเลย แม้นะกระทั่งแค่บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะซึ่งในพระไตรปิฎกและอัตถกาถาหลายแห่งอธิบายไว้ในลักษณะนั้นเพราัน้าหากว่าไม่มีโอกาสได้พบเห็นผู้มีศีลเป็นต้นเลยไม่มีโอกาสพบเห็นผู้เป็นพหูสูตรเลยจะได้ฟังธรรมไหมเมื่อไม่ฟังธรรมเนี่ยนะอย่างว่าศาสนานี้ให้ความสําคัญกับการฟังเป็นอันดับต้นสมัยนี้รวมถึงการอ่านด้วยนะคือให้การให้ความสําคัญ แม้กระทั่งการอ่านก็อ่านเป็นศับใช่ไหมก็ใช้ศัพท์ก็หมายถึงผลผลิตของการฟังอีกนั่นแหละให้ความสําคัญกับการฟังนี่เป็นอันดับหนึ่งะเรียกว่าสุตตะเนีย่ยนะสุตสตะให้ความสําคัญมากอั้นถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่แสดงแล้วจะฟังอย่างไรเมื่อไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ทรงจําเมื่อไม่ได้ทรงจําก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใคร่ครวญมาพินิจพิจารณาเมื่อไม่มีอะไรพิจารณารู้ไหมอะไรควรครอบรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้ง นะว่าอะไรเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เั้นการที่สมณะทั้งหลายผู้มีศีลทั้งหลายมีที่อยู่อาศัยนะที่สามารถไปพบเห็นได้ง่ายอันนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนั่นแหละพันพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองอย่างนี่แหละจึงตรัสว่าเพงให้สร้างวิหารที่น่ารื่นรม นะคำว่ารื่นรมันนี่รวมหมายความว่าสร้างที่อยู่ที่เป็นส ป, ปายะนั่นะนะนะนะเป็นที่สบายเนี่ยนะสบายในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เพราะว่าที่อยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอิริยาบถส ป, ปายะด้วยแล้วก็อุตสส ป, ปายะหรือไม่ก็อยู่ที่เกี่ยวกับ ที่อยู่ด้วยเนี่ยนะแล้วก็ที่อยู่เนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องอาหารด้วยว่าที่อยู่บางแห่งอาหารหายากบางแห่งก็อาหารหามยากก็เกี่ยวข้องกับอาหารสปายะด้วยเนี่ยนะที่อยู่เนี่ยเกี่ยวกับสปายะหลายๆอย่างแม้กระทั่งบุคคลสปายะด้วยฉะนั้นการให้ที่อยู่เป็นทานนั้น่ะนะจึงเป็นบุญลักษณะในแง่จัดสปายะด้วยข้อที่หนึ่งขณะเดียวกันเมื่อมีผู้มีคุณธรรมมาอยู่ใกล้ก็มีโอกาสที่จะได้ ฟังธรรมเป็นต้นว่าการฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นประตูแห่งอมตะนิพพานเนี่ยนะเป็นประตูที่จะทําให้บรรลุมรรคผลให้ความสําคัญกับการฟังมากเพราะฉะนั้นจึงพระองค์จึงแนะนำะนะจึงบอกกล่าวหรือพูดถึงอา น, นิสงส์งของการให้ที่อยู่เป็นทานเนี่ยนะว่าถ้าจะให้ที่อยู่เป็นทานควรทําแบบนี้แบบนี้นะนี่พระองค์ก็ตรัสเล่าให้ฟังถ้าพิสูจน์ผู้เป็นพุทธบุตรเนี่ยนะ ตามตรงแล้วไม่เพงทำความอะไรในที่อยู่เหมือนอะไรเหมือนนกครัคางั้นเรียกว่าประพฤติสกุณาวัดทำตัวคล้ายกับนกเนี่ยนะพร้อมที่จะจากได้ทุกแห่งทุกแห่งเนี่ยนะรเมื่อออกจากบ้านใดไปก็ไม่อะไรในบ้านนั้นเนี่ยนะครับหมดความเยื่อใหยในลาบสการะที่เป็น เปลือกตมอย่างสิ้นเชิงเพราะนผู้ที่เป็นพู้ทบุตรนั้นจะไม่มีคําว่าอะไรเยื่อใยสายสัมพันธ์กับที่อยู่ที่อาศัยอยู่นั่นแหละจนถึงขนาดเรียกว่าไปไหนก็ไม่ได้ห่วงกุติอยู่นั่นแหละก็ไม่ใช่พระนาคเสภะพระเจ้ามิลินก็เห็นด้วยนะดีจริงพระคุณเจ้านะสรุปว่ายอมรับว่าเห็นด้วยจริงๆส่วนเนื้อหาในอัตถกาถาที่ยกมาบางส่วนนี่ก็ไปอ่านเอาละกัน